สมาธินี่ยูฟังเป็นของเสื่อมได้เหมือนกันนะเราฝึกสมาธิการนั่งสมาธิบ้างรู้ลมหายใจบ้างบางทีมันก็ไม่สงบบางทีก็ทําได้บ้างทําไมได้บ้างแล่จึงพูดถึงว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นของเสื่อมได้เราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนประวัติมาให้อ่าน ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องการที่สมาธิของท่านเสื่อมก็มี น, น, นี่คุบาอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราต่ตอนอยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นก็ประสบปัญหาเรื่องอาการนั่งสมาธิภาวนานี่เหมือนกันบางทีก็เห็นแสงสว่างเห็นรูปบางทีก็ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นรูปมีอุปสรรคต่าง มาคอยกัดขวางมาคอยกวนอันนั้นเป็นเพราะอะไรอันนี้แน่นอนหลังจากที่พิชาตรัสรุ้แล้วก็ได้บอกว่าเพราะว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนัตตาห่ามันเกิดได้มันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเนี่ยจำฟังบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เราหวังไม่ได้อย่างที่เราหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย มันมีสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่สภาวะของความเป็นทุกข์ที่พูดถึงนี้พวกเราว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ในความที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างที่สองคือมันปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปปร้อมๆกันแต่ถ้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะ อ, อย่างใน3อย่างก็ถือว่า มันเป็นลักษณะเป็นความทุกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันยังพอทนอยู่ได้ช่วงที่มันยังพอทนอยู่ได้อย่างช่วงที่เรามีสมาธิอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นช่องเป็นโอกาสที่เราจะจะทำให้เห็นอย่างเวลาบางวันเราได้สมาธิบางวันเราได้ความสุขทีกิจาการปฏิบัติธรรมบางวันเราทาแล้วดีบางวันทาแล้ว มีความสุขอั น, นั้นก็จะเป็นช่องให้คุณเป็นช่องให้เพื่อที่เราจะได้ออกจากความไม่เที่ยงได้เนื่องจาะความที่สิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้มีไม่ได้ถูกอะไรทําไม่ได้ถูกอะไรปรุงเนี่ยมันมีอยู่จำมาฟังมันมีอยู่จึงทําให้มีการรอดออกไปได้พระเจ้าใช้คำนี้รอดออกไปได้รอดออกไปของอะไรก็ของสิ่งที่เกิดได้ ปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้อะไรเป็นสิ่งที่เกิดได้ปรุงเปลี่ยนแปลงแลนะมีความไม่เที่ยงก็อะไรที่เราอยู่กับมันเนี่ยทั้งหมดเลยละ่ะแต่บางทีสมาธิของเราก็ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนรถไฟหาะตีลังกาเนี่เลยดีบ้างเสื่อมบ้างแต่ถ้าดีเสื่อมเพราะอะไรมันเป็นของธรรมดาไอ้สิ่งที่มันเกิดเป็นผลขึ้นในโลกนี้เนี่ย เป็นผลจากความทุกข์ทั้งสิน้นเป็นผลจากความทุกข์มันก็มีความลักษณะของความทุกข์มันพ่วงขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมดาเป็นเรื่องสําคัญของไอความที่มันมีเกิดเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปลงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างอื่นอะไรที่เป็นอย่างนี้ น, นจิตเราศีลของเราสิ่งผัสสะที่มากระทบอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดละ แม้แต่ท่านพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาหรือวิมุตของท่านไปด้วยไม่ได้ออกไปด้วยหลังจากที่ปรินิพพานท่านก็กปรินิพพานไปศีล ส, สมาธิปัญญาก็ยังอยู่ในโลกนี้แต่เป็นของที่อยู่คู่กับโลกเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้ธรรมะในโลกเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ที่โลกนี้ เราจะรู้แล้วก็บอกต่อก็แสดงแสดงออกมาให้รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดก้นได้ก็ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ใช้มันเป็นไปอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้ธรรมดามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิด จะต้องปรุงจะต้องถูกอะไรทาจะต้องเสื่อมไปทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าทอนะคุฟังพอเราเห็นว่าอุย้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้หลวครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเกิดขึ้นเวลาที่มีปัญหาในการปฏิบัติของตัวเองอาจจะเกิดมีความคิดว่าโอ้ยนี่มันยากเหลือเกินทาไมธรรมะของพระเจ้ามันยากอย่างนี้ หรือบางที่โอ้ทําไมมันยังมีอยู่หรือมรรคผลนิพพานหรือทำไมไอ้นี่มันมันใช่หรือเปล่าฉันทําไม่ถูกหรือว่าฉันอะไรก็อย่างที่ว่านี่แหละมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าผมว่าสมาธิของเรามันจะไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่าให้เกิดจากความที่เราผิดศีลนะศีล น, น, นเป็นฐานรอง เป็นฐานรองนะท่านฟังเด๋เหมือนสัตว์อื่นๆอาจจะเป็นสัตว์ช้างมา้าวัวควายหมูหมาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่บนพื้นดินศีลนี่แหละเป็นตัวรองรับสมาธิศีลเราทําให้ดีแต่สมาธิเราจะดีได้ถ้าสมาธิของเรามันเสื่อมบ้างมันดีบ้างอันนั้นมันธรรมดาทําไมธรรมดามันธรรมดาตรงที่ว่า ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นของเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้เราอยากให้มีความท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้สงสัยมันยากยากนี่คือพวกที่ทำไม่ถูกเราอ่อนซ้อมเราทำไม่ถูกเราบอกเขายากช่วยแฟฝๆกันหน่อยขอความยุติธรรมบ้างได้ไหมคุณเอากระทะมาอันหนึ่งคุณทำกับข้าว คุณบอกว่าทำกับข้าไม่อร่อยสงสัยกระทะไม่ดีเอากระทะใหม่มาเอากระทะใหม่มาก็ยังทำกับข้าไม่อร่อยอยู่ทำไมก็กร ะ, ะทาไม่ดีเราพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรยังเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยจำฟังศีลเป็นตัวรองรับสมาธิใช่ไหมศีลเป็นตัวรองรับสมาธิเราก็ทำสิทำสมาธิถ้าเรายังมีศีลแต่สมาธิบางทีมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ก็อ่อนซ้อมไงกระทะเขาเอามานี่เขาผัดกับข้าวเขาทํากับข้าวผัดบ้างพักบ้างอะไรบ้างหมูบ้างไส่ใเข้าไปมันออกมาอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่กระทะมันมีอยู่ท่านฟังกระทะมันมีอยู่ยังไงมันก็ทําได้เราก็ฝึกฝีมือเราเอาสิฝึกฝีมือเราเอาเนให้มันทําดีขึ้นมาทําให้ได้ขึ้นมาถ้าเรายังมีศีลอยู่ท่านฟัง เรามีเครื่องรองรับสมาธินะถ้าเรายังมีศีลอยู่เรามีเครื่องรองรับสมาธิแน่นอนแต่บางทีสมาธิมันไม่ดีให้นั่นเพราะอะไรทําไมคนทํากับข้าวไม่เก่งล่ะท่านฝังบวังเพราะอ่อนส้อมอ่อนส้มบางคนทําเก่งบันคนทำดีบางคนทํ า, ทดาทได้ในระดับแป๊บเดียวอันนั้นเขาก็มีความสามารถของเขา บางทีบางคนต้องฝึกเป็นปีๆเป็นสิบปี2ี่ปีกว่าจะเป็นพ่อครัวที่ปรุงอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยพ่อครัวเขาจะปรุงอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยได้รางวัลเป็นที่พอใจปลื้มใจของพระราชาหรือของมหาอมาตยของพระราชาเขาทำยังไง ร, รู้ไหมมีพ่อครัวอยู่สองคนพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเอาไว้คนหนึ่ง ไม่รู้จักสังเกตรสอาหารของตัวเองทำไม่เป็นคือทำเป็นอยู่แต่ว่าไม่รู้จักสังเกตรสอาหารของตัวเองนะปรุงซุปไปรสเค็มบ้างรสหวานบ้างรสขมบ้างรสเฟื่อนไม่เฟื่อนนะอาหารหลากหลายอย่างเอาไปให้ใครก็ให้หัวหน้าของตัวเองกินนะให้พระราชากินให้มหาามารของพระราชากินนะปรุงไปให้เขากินปรากฏว่าตัวเองไม่รู้จัก สังเกตุว่าเอวันนี้ท่านชอบรถอันนี้รับอันนี้มากรับอันนี้น้อยท่านชมอันนี้ท่านติอันนี้แตะไม่สังเกตไม่ปรับปรุงน้าเกิดอะไรขึ้นกับครอครัวคนแรกนี้ก็จะไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลอย่างมากมายเพราะอะไรเพราะพรอบครัวคนนี้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเท่าไหร่ไม่ฉลาดในการที่จะอะไรในการที่จะสังเกตรสชาติของอาหาร ของตัวเองไม่รู้จักสังเกตว่าแบบนี้เขาชอบแบบนี้ก็ไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันพ่อครัวคนที่สองพ่อครัวคนที่สองนี้น่ะก็ปรุงอาหารถวายพระราชาเหมือนกันถวายมาหาอมาตยของพระราชาเหมือนกันปรุงไปปรุงไปน่ะก็คอยสังเกตด้วยท่านกินอันนี้มากท่านหยิบอันนี้อันนี้ท่านกินเหลือน่ะท่านชมอันนี้อันนี้ท่านไม่ชม วันนี้อากาศเป็นอย่างนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้อาหารอย่างนี้มานะคืออาหารบางประเภทมันก็เหมาะกับอากาศบางแบบบางแบบมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขารู้จักสังเกตรู้จักดูเรียกว่าสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายนะเครื่องหมายของอะไรของสิ่งต่างๆที่เขาทํานั่นแหละทําให้เกิดอะไรขึ้นผลที่พ่อครัวคนที่2 ที่เขาจะได้รับเนี่ยเขาจึงได้รับค่าจ้างรางวัลในที่งดงามจากใครก็จากหัวหน้าคือพระราชาของเขาหรือว่าจากมหามาตย์ของพระราชาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดรู้จักสังเกตนิมิตของอาหารของตนก็จึงได้ค่าจ้างรางวัลสองคนเป็นพ่อครัวเหมือนกันสองคนมีศีลเหมือนกัน มีศีลดิสองคนนี้เขาแสดงว่าเขามีฐานรองรับของสมาธิที่ดีเอาพูด ง, ง่ายๆมีกระทะเหมือนกันนะเนี่ยแต่คนนึงทําอาหารอร่อยคนหนึ่งทําอาหารไม่อร่อยอา้าวทำไมอ่ะคุณบอกคุณไปโทษกระทะคุณบอกว่ามันยากมันทําไม่ได้หรอกก็อ่อนซ้อมไงไม่รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตกองตนนิมิตแห่งจีของเรามันเป็นยังไงเราทํายังไงมาล่ะ ไอ้ที่เราได้ความสงบนี้มาเราทำยังไงมาไอ้บางทีมันไม่สงบมันเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยเยอะแยะทาฟังรู้อธิบายไั้ยรบปรานาหารพอประมาณไหมสั่งสมสุดตะทรงสุดตาไหมยอยู่ป่าไหมน่ะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไหมน่ะเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาสิบอย่างไหม เป็นผู้ที่รู้จักวาระจริตกลตัวเองในการที่จะเห็นว่าเออมันหลุดพ้นเป็นขั้นๆอย่างนั้นไหมโพธิสัตว์นะท่านฟังพระโพธิสัตว์บรรดาของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ไดตรัสรู้ก็เคยเจอปัญหา น, านี้แต่คือหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยมันเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเราภิกษุอนุรุทธะฟังว่าตัวพระองค์เองก็ประสบปัญหาในเรื่องของการทําจิตนี้ ก่อนจะบรลุเป็นพระพุทธเจ้าบราบรลุสัมมาสัมปวรญาตเหมือนกันแต่ไม่ทอแต่ไม่มาโทษว่าโอ้สงสัยยากสงสัยมันไม่มีจริงโอ้สงสัยชันบุญน้อยวาสนาน้อยสงสัยฉันยังไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้ทาก็ทำอยู่เห็นๆถ้าเรามีลมหายใจอยู่ทำไมเราจะไม่ได้ทำถ้าเรายังมีศีลอยู่เรามีฐานรองรับสมาธิแล้วบางทีมันปรุงอาหารอร่อยบ้างปรุงอาหารไม่อร่อยบ้าง ก็สังเกตดูสิสังเกตดูสิว่าเราใส่เครื่องปรุงอะไรเราทําแบบไหนความร้อนดีไหมกลัวมีดหรือเปล่านะเราปรุงเข้าไปผสมเข้าไปนะเพื่ออะไรให้มันออกมาดีต้องรู้จักฉลาดในนิมิตแห่งจีงตุนบริษัทก่อนการบรรลุสมมาธมบุริยาณเจออะไรบ้างความลังเลความเคลือบแคลงก็เจอเอ๊ะทำไมเป็นจิตฉันมันขึ้นขึ้ น, น, นลงๆ โอ้โอ oh ้ oh oh oh oh oh, เป็นเพราะว่าเจ้าความลังเลความเคลื่อบแกร่งอ้าวทำใหม่ไม่ให้เจ้าความลังเลสงสัยมิจิกิจามันเกิดขึ้นแต่ทําไปทําไมสมาธิเสื่อมอีกน AUDIO ี่ทำไมจิตเป็นแบบนี้ก็คิดพิจารณาอ๋อเป็นเพราะว่าความไม่ใส่ใจน่ะไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใส่ใจให้ดีอ้าวงั้นทําไม่น่ะใส่ใจให้ดีพิจารณาให้ดีเอาแล้วไอ้ความเคลื่อนแคล้งท oui ี่มันเคยละได้อย่าให้มันเกิดอีกนะทําต่ออีก ทำไปทำไปมีความเด็ดเดี่ยวข้าวหานกล้าหานแกล้วกล้านะมีสติสัมปชัญญะปรากฏสมาธิยังเสื่อมอีกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วนะก็เพราะว่าความเคลิมง่วงนอนทีนมิทะนั่นแหละนะมีความเคลิมง่วงนอนอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างเอา้างั้นทาใหม่ทําจิตใหม่ปรับใหม่ปรุงใหม่นในลักษณะที่จะไม่ให้เจ้าไอ้ความง่วงนอนทีนมิทะไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความ ลังเลสงสัยมันเกิดขึ้นได้แตนะ่ทําไปอได้ขึ้นมาดีขึ้นมากนะ็เสือเส่อมอีกตจำฝังเสื่อมอีกแต่คราวนี้มีปัญหาจากอะไรสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนนะเอ๊ะมันเป็นอะไรสังเกต ด, ดูดีๆีอ๋อมันมีความสะดุ้งหวัดเสียวพอตัวเราได้สมาธิแล้วแต่มังจีมึงสะดุ้งขึ้นมากระตุกขึ้นมาโอ้นี่มันเป็นความสะดุ้งหวัดเสียวนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราเดินทางไปทางไกลยอย่างเงี้ยเดินทางไป นั้นปรากฏมีโจรผู้ร้ายโผล่ขึ้น2องข้างทางจะมาทำร้ายเราจะมาปลิดชีพเราเราก็กลัวสิอันนี้มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปมานีนะ้เพื่ออธิบายถึงเจ้าความสะดุ้งหวาดเสียวบริษัททำยังไงก็ทำใหม่ตั้งจิตใหม่นะเอา้าคราวนี้เราจะรู้ละอ๋อเรามีความสะดุ้งตรงนี้เรามีความกลัวตรงนี้เอาทำใหม่ เนะ่ยไม่ให้เจ้าความสะดุ้งหวาดเสียความเคลื่มน่วงนอนความไม่ใส่ใจความเครือบแคลงสงสยัยไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกทำไปทำไปเอาสมาธิเสื่อมไปอีกโอ้ทำยังไงล่ะก็มาสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนใคร่ครวญอยู่อ๋อเพราะว่าความตื่นเต้นนะความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นนะเปรียบเทียบกับคนที่จะไปหากลุ่มซับเนี่ไปหากลุ่มเดี่ยวแนะฉันจะไปหากลุ่มซับสักกลุ่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจอทีเดียวพร้อมกัน ตั้งหขุมแหมตื่นเต้นดีใจมากเหมือนกับอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับจิตของบริษัทบางคนไม่เคยทําสมาธินะท่านผู้ฟังไม่เคยมาดูรู้อรรจิตของตนพอเรามานั่งสมาธิตัวเองเป็นคนมีศีลใช่ไหมนั่งสมาธิไปแล้วก็ประกะโอ้โหสมาธิดีมากเพิ่งเคยจะเห็นจิตตัวเองเพิ่งเคยที่จะทําสมาธิได้แหมจิตใจมันมีความสว่างสวยเบิกบานขึ้นมา ความคิดนี่ฟุ้งไปกันใหญ่เลยนะฟุ้งเรื่ อ, อ๋ฉันจะต้องทำแผนงานอย่างนี้หลนะคนฉันจะวางไว้อย่างนี้ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างนี้นี่คือความก็ได้ว่าความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นได้แตนะ่คนเรามันมาหากลุม่มซับกลุ่มเดียวมันเจอทีเดียว5กลุม่มเนี่ยมันก็เลยตื่นเต้นขึ้นมาในะรเรื่องของความสะดุ้งหวาดเสียวก็มนะีหลายคนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะตกใจเฮ้ยนี่เป็นอะไรแต่ไม่ตัวเองอธิบายไม่ถูกแต่มันมีความสะดุ้งขึ้นตกใจขึ้น อันนี้มันมีกได้แต่เราสังเกตนิมิตแห่งจีของตนไหมโพธิสัตว์ตอนนั้นไม่ได้มีความคิดว่าโอ้สงสัยฉันบุญน้อยวาสนาน้อยโอ้สงสัยมันยากสงสัยมันเป็นไปบบไม่ได้หรอกสมัยนั้นมีพุทธเจ้าที่ไหนละ่ะไม่มีคนที่จะมาบอกด้วยซ้าก็นั่งอยู่ในป่าคนเดียวนั่นแหละเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้สังเกตอยู่ใคร่ครวญอยู่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทําไมอ่ะก็มีกระทะอยู่อะ มีศีลเป็นฐานรองรับของสมาธิอยู่มีกระทะอยู่มันจะไม่ทํากับข้าวได้งไงก็จะทําทให้อะไรทํำยังไงก็เปลี่ยนสิปรับปรุงเครื่องปรุงก็แล้วทํำยังไงจะให้จิตของเรามันดีขึ้นมาได้ล่ะนักกีฬามันจะเก่งเนี่ยมันจะเพราะอะไรละท่านฟังเขาต้องซ้อมเราอย่าอ่อนซ้อมถ้าอ่อนซ้อมแล้วเดี๋ยวกระทะมันขึ้นสนิมด้วยเพราะกลัวเขาไม่ได้ทำกับข้าทําอะไร ไม่ฝึกทำอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารของตัวเองกระทะก็ขึ้นสนิมเท่านั้นลหละแต่ถ้าเรามีกระทะดีอยู่ศีลเรายังดีอยู่แแล้วเราไม่ทำเราไม่พิจารณาเดี๋ยวศีลมันเสื่อมด้วยศีลตอนนี้มันยังเป็นช่องให้เราได้อยู่ศีลไม่ใช่ว่าจะเสื่อมไม่ได้นะศีลก็เสื่อมได้นะสมาธิก็ยังเสื่อมไม่เห็นดีบ้างไม่ต้องเอาหลายวันหรอก เอาวันเดียวไม่ต้องเอาในวันหนึ่งยิบสี่ชั่วโมงหรอกเอามันชั่วโมงเดียวนี่และ่ะเอาชั่วโมงเดียวที่เราฝึกนั่งสมาธิอย่าพูดเลยเอาชั่วโมงเอาครึ่งชั่วโมงเป่ะไอ้ครึ่งชั่วโมงที่เราฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวตอนต้นฝึกคิดฟุ้งบ้าบอไม่สมาธิไม่ได้พลิกตัวอยู่นั่นธรรมาตัดมาหน่อยเออเอเริ่มเข้าที่ทมสมาธิได้เดี๋ยวไอ้สยี่สินาทียี่สิบนาทีอ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาปรับปุ๊กใหม่ เอาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ดีก็มีที่เสื่อมก็มีที่ไม่ได้ก็มีสองคนนั่งทําสมาธิด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันชั่วโมงหนึ่งบ้างครึ่งชั่วโมงบ้า ง, ค น, นงคนหนึ่งทำไมทําได้คนหนึ่งทําไม่ได้คุณาาค ม, เมามเพราะอะไรสองคนนี้เขาก็มีสีเหมือนกันอินทรีย์วารมีเขาอาจจะแก่กล้าไม่เท่ากันแต่นั้นเป็นปราะว่าคนหนึ่งรู้จักฉลาดสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนอีกคนหนึ่งไม่ฉลาดไม่รู้จักสังเกตนิมิต แห่งจีกของตนเราถ้าเราไม่รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจีกของเราแล้วเราบอกว่าโอวิตินี่มันยากทํากับข้าวยากก็ทําไม่ถังกับข้าวเราจะกินอะไรหรือว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็ทําไม่มีแล้วมันจะมีคนตรัสรู้ตามได้งไเสงเราทรงใช้ฉับุญน้อยวาสนาน้อยก็ถ้ามันบุญน้อยวาสนาอยแล้วมันจะมาเกิดเป็นคนได้ยังไงเรายังเป็นคนอยู่มรรคผลนิพพานยังมีอยู่ มันไม่ได้ยากหรกเพื่อฟังเราอย่าอ่อนซ้อมเราทําให้บ่อยๆ่อยทบ่อยนี่ไม่ใช่ว่าทําไอ้ที่มันผิดผิดบ่อยๆนะเนี่ยพ่อครัวเขาก็ยังทําบ่อยๆโดยที่อาหารไม่อร่อยเหมือนเดิมอ่ะบางคนทําอาหารยังไงมันก็ไม่อร่อยก็เพราะไม่รู้จักสังเกต ร, รสชาติของอาหารของตัวเองซ้ำอีกครั้งนะเพื่อนฟังเรารู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของเราไหมไอ้ที่เราทํามาถูกเราทํามาอย่างไงไอ้ที่เราทําไม่ถูก เราเลิกได้ไหมช่องตอนนี้มันมีให้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะนี่พูดภาษาอังกฤษไปสองสาคำแล้วเดี๋ยวได้โดนจุดมาอีกแน่นอนช่วงนี้เป็นช่องแต่ไหฟังให้เรารอดช่องออกไปได้ช่องทางที่เราจะได้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ผมมันอาจจะบังอยู่นิดเดียวเคี่ยวผมออกเห็นภูเขาได้ภูเขาเส้นผมบงผังภูเขาอะนะ เคี่ยวผมออกนิดเดียวบังได้ไอฝุ่นมันติดอยู่ในตาเคี่ยออกนิดเดียวตาเราดีขึ้นมาได้แต่ถ้าผมว่าในทางกลับกันนี่มันไม่ได้นะ่คือถ้าเอาภูเขากุดภูเขาหาเส้นผมนี่มันไม่ได้นะมันยากมากแต่ถ้าผมบงผังภูเขาอยู่แล้วนะ อ, ออกนิดเดียวได้ตาเราไม่ได้ถูกฝังอยู่ในดินแล้วก็อะไรอัดเอาไว้เราเป็นผู้มีชุนลนในดวงตาแต่น้อยเราถึงตื่นขึ้นมาฟังธรรม เราถึงยังขวนขวายหาธรรมะเป็นคนมีศีลอุปกรณ์อะไรต่างๆในการทำกับข้าเราก็มีทำไมเราจะทำไม่ได้ก็ฝึกเอาทำไม้ชำนาญทำไม่คล่องแคล่วโพธิสั์ไม่ใช่แค่เจอเรื่องความสะดุงหวาดเสียวความเคลิมงงนอนความไม่ใส่ใจความเคลือบแลลงระแบงสงสัยแต่ยังเจอความขนองหยาบจิตเราพอมันได้สมาธิแล้วมันตื่นเต้นขึ้นมาอาจตื่นเต้นแก้ไปแล้ว พอได้สมาที่มันเกิดมีความก็นองหยาบโอ้ยฉันเก่งฉันคนอื่นไม่เก่งเท่าฉันออาไปนั่นละไปนั่นละสมาธิเดี๋ยวมันจะเสื่อมไม่เห็นเ น, นะอย่าคิดอย่างนั้นเอาทำไมทําไมก็อย่าเปลียนปรารภความเพี่ยนมันจัดเกินไปนะความปรารภความเพียนจัดเกินไปเดี๋ยวสมาธิเสื่อมอีกเอาทำไมความเพียนก็ไม่ปรารภจัดเกินไปนะความก็นองอยากก็ไม่ให้มี ความตื่นเต้นความเสื่อมหวาดเสียความเคริ้มงงนอนความไม่ใส่ใจความลังเลสงสัยเอาอ๋อยหมดสมาธิมันเสื่อมอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรมันอาจจะมีความเปลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไปก็ได้เอาความเปลี่ยนย่อหย่อนเกินไปสมาธิเสื่อมอีกเอาใหม่ทําใหม่แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่มันเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราคิดว่าใ้คุณหนึ่งมารู้ดูวาราจิตของเราโอ๋บอกให้หน่อยสิว่าเป็นอะไร ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะต้องรออีกเมื่อไหร่ถ้าตัวเองไม่เป็นผู้ที่รู้วาจิตของตัวเองแล้วบอกได้แล้วทำได้ก็ถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงก็สังเกตสิสังเกตเหมือนพ่อครัวเราสังเกตรสชาติของอาหารเหมือนเราทําอาหารออกมาเราต้องรู้สิว่าอาหารนี้มันอร่อยมันไม่อร่อยแเอาลิ้นแตะดูเนี่ยมันรู้ทันทีเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไร มันเป็นความกระสันหยากหรือมันเป็นความเพียนที่ย่าหย่อนเกินไปหรือมันเป็นการที่ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆหรือมันเป็นการที่เพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปอะไรที่จะมาดูจิตได้ท่าน ฟ, ฟังว่าฝึกมาจนถึงขนาดนี้ละฟังมาหลายรอบละอะไรที่จะมาดูได้ว่าจิตของเราเป็นยังไงก็ใช้จิตดูไงใช้จิตนั่นแหละดูดูให้เห็นดูไม่ได้ใช้ตานะ ใช้จิตดูสังเกตนิมิตแห่งจิตของตันให้ดีว่าที่เราทํามาได้มาดีมันเพราะอะไรไอ้ปัญหาที่เรายังมองไม่เห็นก็มีปัญหาที่เราแก้ไได้เป็นแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีเอาปัญหาที่แก้ได้แล้วเอาเปลี่ยนใหม่ย้ายมันเกิดขึ้นมาใหม่นะเอาปัญหาที่ามาใหม่ให้สังเกตเห็นว่ามันคืออะไรนนะั้เราทําได้ท่านผู้ฟังเราฝึกให้ชํานาญอย่าอ่อนซ้อมนะถ้าเราอ่อนซ้อมแล้วเราโทษว่าอันนั้น มันยากอันนี้ไม่ดีมะพริพายในไม่มีนะฉันบุญน้อยวา ส, สนาน้อยไม่ถูกถ้าเราอ่อนซอมเราก็ซ้อมให้หมกักเราทำให้ดีรู้จักสังเกตว่าเราอ่อนตรงไหนเราแข็งตรงไหนนะเราดีตรงไหนเราทำไม่ดีตรงไหนเราฝึกปฏิบัติไปอย่างนี้ทํางวังเราจะทำอาหารอร่อยได้เขาเจ้าเคยเห็นคนที่เมื่อก่อนทาอาหารไม่อร่อยมั่ว อย่างพวกคนที่ไปอยู่เมืองนอกนี่นประจํานะ ก, กินอาหารนอกบ้านก็แพงก็ต้องมาทําอาหารเองทําอาหารเองตัวเองกินเองโอ้ก็อย่างพอืศวรอมเอาทําไมเนะปลี่ยนแปลงไปลงทดสอบตรงนั้นทดสอบตรงนี้ลงตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ภายหลังก็ทําอาชีพเป็นร้านอาหารได้คิดดูแล้วกันนะทําเลี้ยงครอบครัวได้สิปีถัดมา20ปีถัดมาเราพอกินหรือยอย่างจำฝังเราพอกินหรือย่าง ไอ้ที่เราทําเราพอกินในจิตของเราหรือยังแต่ยังไม่พอฝึกใหม่ทำใหม่ทาได้ทั้งฝั่งข้าพเจ้าต้องยืนยันพระเจ้ายืนยันมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีมีเราภิกษุผู้พี่พี่ชายของเราเนี่ยแหละยืนยันมาต่อมาเป็นทอดๆว่าธรรมะมีอยู่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้มาในสมัยนี้มีครูบาอาจารย์ที่เขามีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิ เป็นอย่างดีก็มายืนยันเอาไว้ว่าธรรมะนี้มีแน่นอนที่จะทำให้ผู้ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเดี๋ยวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุนอภิปุนโนจังวัดป่าดอนหายโศกก็ข อ, ขอลาท่านไปฟังไปก่อนทำอาหารให้อร่อยนะครัฟังปรุงให้ดีพลาดบ้างตรงนั้นบ้างนิดหน่อยมีธรรมดาแต่ถ้าเรามีอยู่ให้ทา อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้สู้ให้มีความกล้าหาญมีความแกล้วกล้าเหมือนอัศวินที่มีอาวุธที่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดทิ้งเอาไว้ให้เป็นดาบอันคมกล้าแต่เพลงยุทธมันยังไม่ชำนาญจะออกรบต้องฝึกเพลงยุทธใหม่ฝึกดาบที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ ให้มีความชำนาญในการใช้มักมีความชำนาญในการใช้ปัญญาถ้าเรามีศีลเรามีสายเลือดแห่งความเป็นอาชาในาเราทำได้ท่านฟังศีลนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นชาติอาชาในาของเราแต่ความอาชาในบางดีมันยังอาจไม่ปรากฏมันยังมีความประยศก์มีความเสพผิดดิ้นรนบ้างแกซะทำใหมสซะจะริญปวน